นะโมตัสสะพรวโตุรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพรวโตุรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพรวโตุรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะผนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระศาสนา ครับจากเวลานี้ไปก็เป็นเวลาฟังพระธรรมเทศนาพอเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป <c oughs> ก็ขอออกตัวไว้ก่อนว่าตมาไม่ใช่นักเทศอันไหนพอที่จะเป็นอาจเป็นธรรมก็อันไหนที่พอเอาเป็นตรคติตัวอย่างได้ก็ขอให้พากัน เก็บเอาันนั้นไปเป็นพอเป็นการปฏิบัติต่อไปพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาตั้งแต่นับจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาจาก วันที่ปาริณีผ่านมาก็เรียกว่า 2,500-600 ปีเขาตีเป็น600ปีไปแล้ว <c oughs> เป็นเรื่องที่ยากยุ่งยแอนเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเกิดขึ้นที่จะมีขึ้นของพระพุทธเจ้าที่เรารู้กันทั่วไป นับเป็นกับกับเป็นเรื่องที่ว่าหาได้ยากมากว่าจะมีแต่ละองค์ละองค์มาอย่างเรเรียกเป็นกันเป็นกับกับนับเวลาไม่ได้ท่านก็เปรียบเทียบอันนั้นอันนี้มาใส่ว่าเวลา น, านานขนาดไหนซึ่ง ก็ <c oughs> ที่เรารู้ก็คือว่ากลับของเรานี่ก็คือมีพระพุทธเจ้ามาัฏฐารูห้าองค์ก็พระพุทธเจ้าของเราก็เป็นองค์ที่สี่แล้วก็ยังอีกองหนึ่งเป็นเรื่องที่ว่ายาวนานมากถ้าเป็นเป็นเวลา การสร้างบุญสร้างบา ร, รมีจึงเป็นเรื่องที่ว่าผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านี่ต้องใช้เวลายาวนานนานจนไม่สามารถจะนับเป็นตัวเลขได้เพราะถึงจะเรียกว่ากับไม่สามารถจะเขียนลงได้าศาสนาเกิดขึ้นเพราะ อะไรอะไรเป็นเหตุที่ให้พระพุทธเจ้าให้ออกบวชอันนี้ให้ให้เราพิจารณาตามประวัติของพระพุทธเจ้าที่จะทรงออกพระหนวดเพราะเหตุอนไดศาสนาเกิดขึ้นเพราะความแก่ความเจ็บความตาย จึงเกิดมีขึ้นพระพุทธเจ้าประสูตรในตร ะ, ะ, ะกูลกษัตริย์พอประสูตรแล้วก็ไม่รู้เรื่องพ่ อ, อพ่อนี่พระบิดานี่ไม่ไม่ให้ไม่ให้รู้เรื่องความเรื่องของคนแก่คน นี่เลยจะไม่ให้เห็นคนแก่เพราะว่าเมื่อพระองค์ประสูนยนั้นาพามเจ็ดทั้งเจ็ดเชิญาพามทั้งเจ็ดมามาดูลักษณะมาทายลักษณะมาก็ม า, าพามทั้งเจ็ดนั้นก็ทายว่าพระพุทธถ้าอยู่คือถ้าอยู่ครองราชต่อไปหรือว่าโตขึ้นก็ <c oughs> เป็นคติได้สองอย่างคือถ้าอยู่ควองลาดก็จ ะ, ะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีสีทวีปเป็นที่เป็นที่ปกครองเป็นที่ให้พระองค์เป็นผู้ปกครองถ้าออกทรงผนวดก็จะได้สำเร็จ เป็นพระพุทธเจ้าพอพระบิดารู้คำนี้ก็เลยจึงไม่อยากให้เป็นพระพุทธเจ้าอยากให้ครองราชอยากให้เป็นกษัตริย์ก็จึงได้สร้างปราสาทขึ้นปราสาทขึ้นในสามฤดูแต่ละฤดูจะทำกันคนละอย่าง ประสาทสามฤ ด, ดูก็คือหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนาจะจะไม่ให้ซ้ากันคือจะไม่ให้รู้จะไม่ให้คือความหวังจะให้อยู่ครองลาดอย่างเดียวก็ให้อยู่ด้วยความเป็นสุขสบายไม่ให้รู้จักความทุกข์ไม่ให้เห็นคนเท่าคนแก่พยายามปนเปย์ด้วย สิ่งต่างๆที่จะให้หลงให้ลุ่มให้หลงให้ติดอยู่ในโลกอันนี้ถ้าพูดพูดไปแต่ด้วยบุญบา ร, รมีหรือว่าพระองค์สร้างมาตั้งแต่นับเป็นกเป็นกลับเป็นกันมาแล้วที่สร้างบา ร, รมีที่จะเป็นพระโพธิเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้า สร้างมาจนเต็มเปี่ยมเรียกว่าเต็มเปี่ยมก็ไม่สามารถจะอยู่ได้เทําทำให้พระองค์ต้องได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ที่ว่าจะต้องได้ออกทรงผนวชจึงให้เกิดจิตใจร้อนรนขึ้น จึงได้ออกอเที่ยวประาพาพระนครขอบิดาพระบิดาออกเที่ยวชมพระนครไปเที่ยวดูพวกราศดรในที่พระนครของพระองค์นั้นคือตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยออกไป ที่ไหนยังไม่ออกยังไม่ได้ไปเที่ยวยังไม่ได้ไปเห็นอย่างที่ตอนที่นี่ก็คือบางคนบางนั่นก็ว่าไอ <c oughs> เป็นเทวเป็นเทวทูตคำว่าเทวทูตก็คือเทวดาเป็นเป็นคนแปลงมาให้เห็นคำว่าเทวเทวทูตนี่ออกเสด็จไปวันแรกก็ไปเจอคนคนแก่ไปเจอคนแก่ก็ถาม เสนาว่าอันนั้นคือใครอันนั้นคืออะไรเสน า, าหมาตก็บอกว่าเป็นคนแก่พอพระองค์รู้ว่าคนแก่ก็ถามว่าเรานี่คนแก่นี่เป็นมาอย่างไรเรานี่จะแก่เรานี่จะเป็นอย่างนี้ไหมเสนาก็ว่าพระองค์แต่ก่อนคนแก่นี่ก็เป็นคนหนุ่มเหมือนคนทั่วไปเหมือนพระองค์นั่นเอง ต่อไปก็ก็เลยเป็นคนแก่พระองค์ก็จะแก่อย่างนี้เช่นเดียวกันก็เลยเกิดความสลดสังเวชขึ้นวันที่สองก็ไปเห็นคนเจ็บคนเจ็บก็ถามเสนาหมาดว่าอันนั้นคือใครอันนั้นคือเป็นยังไงรู้ว่าเป็นปเสนาก็บอกว่าคนเจ็บ ก็าถามว่าคนเจ็บแล้วเป็นมาอย่างไงถ้าฝ่ายเสนาก็ว่าแต่ก่อนก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้เจ็บไม่ด้ป่วยได้ไข้พระองค์ก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันและ ว, วันที่สามก็ไปเห็นคนตายเห็นคนตายก็เสนาก็ว่าพระองค์ก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันก็จะตายเหมือนกันและ ว, วันที่สี่ ก็ได้ไปเห็นสมณะคือผู้สงบนี่เราก็เรียกว่าเทวทูตทั้งสี่มาสําแดงให้เห็นคือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจำเป็นต้องได้ออกบทก็เลยทำให้จิตใจร้อนลนไม่สามารถที่จะอยู่คองรา้ต่อไปได้จึงเกิดร้อนลน เมื่อคิดเชนนี้แล้วก็หาคิดคิดใค่ควรว่ามันควรมันควรจะมีทางแก้ทางออกทางนี้ไปได้คือเปรียบเทียบแล้วก็มีร้อนก็ยังมีเย็นมันน่าจะมีทางออกเพราะว่าพอมานึกถึงความตายก็ ความตายก็จะเข้ามาอยู่ในตัวเองเราจะทำยังไงถึงจะนี่ได้นี่แหละศาสนาพุทธของเราเกิดขึ้นเพราะพระองค์เห็นภัยในการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะอย่างอื่นเมื่อความตายมาถึงพระองค์ก็ไม่รู้จะ ทำยังไงเพราะจึงหาวิธีจึงได้ออกทรงพนวตรนั่นแหละที่เราเห็นดูทั่วไปก็ให้เกิดสิ่งต่างๆบรันรดาลให้เห็นให้เห็นให้พระองค์ได้มาพิจารณาถึงตัวเองว่าเราก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันนั้นมา เราจะทำยังไงจึงได้ออกทรงพระหนวดที่เรารู้กันทั่วไปได้ศึกษากันทั่วไปก็ในพระราชาวังก็มีนางสนมนางพรานลำขับร้องประคมดนตรีให้ไม่ให้รู้จักแกความเรียกว่าให้อยู่ใน ความเลื่นเลง อ, อยู่ตลอดเวลาไม่รู้จากความทุกข์ความลำบากแต่ก็มันก็ไม่สามารถจะมัดใจพระ อ, องค์อยู่ได้เพราะเรียกว่าบารมีเต็มเปี่ยมก็จึงไปเห็นพวกนางสนมพวกนี้ปล่อยตัวปล่อยตัวในาการเมื่อเขาขับร้องอะไรเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ ปล่อยตัวปล่อยอเสื้อผ้าผ่อนก็ปล่อยให้เลื่อนลาดนอนก็น้ำลายไหลน้ำลายนี่พอเห็นเหมือนซากศพก็ยิ่งเบื่อหน่ายขึ้นมาก็เลยเข้าไปดูลูกคือพระลาหุนถ้าจะไปเชื่อชมลูกอดเชื่อชมลูกก็กลัวภรรยาคื อ, อแม่ นาง <c oughs> พิมพากลัวจะเหกลัวพระมเหสีจะตื่นก็เลยตัดใจได้ก็เลยเอาพาเท้าชนะนฉันนะนนนะบอกนายนนะให้เอาม้าคันธากาออกมาก็จึงได้ออกจากพระราชวังไป ไปที่แม่น้ำนะแม่น้ำอะไรแม่น้ำอโนมาหรืออะไรไปทรงตัดพระเสียรพระกันพระไอตัดผมเรียกว่าตัดผมทรงถือบวชจากนั้นมาก็ทรงบำเพ็ญอยู่ถึงหกอยู่ถึงหกปีจึงได้จึงได้ตัดสรุป เป็นพระพุทธเจ้าตัทรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนที่จะออกรงพโหนนั้นก็มีพรมทั้งเจ็ดที่ได้ทำนายไว้ว่าถ้าพระองค์ออกบวชก็จะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยออกติดตามเรียกว่าพระปัญจะวะัคคี มีห้าองค์มีห้ามีห้าองค์องค์ที่อายุน้อยที่สุดก็คือพระัญยากุลธัญะญตอนนั้นพระัญยากุลธัญญาในอ า, อายุน้อยที่สุดได้เข้าไปทำลายรักกายทำทำนายพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้าของพระองค์ในตอนที่ยังเป็นเด็ก พ่ตัดสินใจว่าตามตำลานะตามตำลานั้นว่าจะได้ครองราดถ้าถ้าอยู่ก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระอัญญาควรทันยัก็เชื่อว่าอย่างไงพระองค์ต้องออกบวช แ, แน่นอนแน่นอนและได้ตัดสิรูปเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเมื่อพระ เมื่อพระองค์ออกทรงพหนวดก็จังได้ติดตามเป็นฤาษีติดตามไปตามอุปถากไปก็ในในสี่องค์ก็เป็นลูกของาพามทั้งเจ็ดนั่นแหละคนใดคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งทั้งเจ็ดคนเพราะว่ามีแค่ห้าองค์ โดยมีพระัญญากลณัญญะเป็นหัวหน้าก็าเรียกว่าแก่กูเพื่อนอนั่นลหละได้ออกหัวติดตามว่าพุทธเจ้าจะได้สำเร็จเป็นได้ตัดสู้เมื่อไรแล้วจะได้สอนตนก็ติดตามไปเรื่อยๆก็จนพระพุทธเจ้า ทรงทาทุกขรกิริยาเรียกว่าทรงทรมานที่จะให้ทำความรู้ให้แจ้งให้เห็นให้เป็นพระพุทธเจ้าให้ตัดสู้ให้ได้นะ่ะก็ไม่ได้เป็นสักทีก็ทรงทรมานร่างกายมดภักยาหารก็จะถึง4ี่สิบ้าวันก็ยังไม่ได้ตัดสู้ ก็สุดท้ายก็เลยก็จึงมาถันพระกยศานาคืนพระ อ, อัญญากุณัญญาก็จึงหมดความเชื่ อ, อหมดนั่นว่าพระพุทธองค์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าเพราะว่ามาถันพระกยศาน ก็จึงได้ออกเดกหนีไปเมื่อพระองค์เมื่ออญยากัญญาเด็กหนีไปก็จึงพระองค์ก็อยู่คนองค์อยู่เพียงองค์เดียวก็ระลึกถึงตอนที่เป็นพระราชกุมารเด็กๆที่ไปทรงที่พระบิดาพาไปแลกหน้าขวัญ น, นั่นแหละพระพุทธองค์ระลึกถึงตรงนั้น ว่าตอนนั้นพระองค์ระลึกอย่างไเพระวะระลึกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอนาปานสติที่จิตของพระองค์ดิ่งลงในสมาธิาตั้งแต่เป็นพระกุมานเล็กๆอันนี้เรียกว่ามันมันจะเป็น มาก่อนแล้วเพราะชาติคนก่อนก็เคยเป็นลือีมาแล้วการภาวนาของลือีเนี่ยเขาก็เก่งเรื่องสมาธิเขาก็เป็นก็จึงเป็นของเดิมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เคยทำมาแล้วช่วงที่ไปแรกนาขวัญ น, นั้นก็อยู่คนเดียวเมื่ออยู่คนเดียวแล้วจิตใจก็ไม่ได้คิดพงไปไหน อยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตก็สงบนี่แหละถ้าอยู่ในอารมณ์มันเดียวจึงจึงสงบจิตมาละ้ละึกถึงตรงนั้นก็จึงได้ทำแบบอย่างที่ตอนที่ทำตอนที่เป็นพระกุมารมากําหนดลมหายใจเข้าออกเพราะว่าทำทุกอย่างมาแล้วก็ไม่ได้สำเร็จก็ไม่ได้ จิตก็ไม่เป็นไม่ไปพอมาลึกๆถึงตรงนี้จิตจึงเป็นเป็นจึงไปตอนที่เป็นพระราษกุมารก็จิตสงบลงไปจนเกิดความอัศจรรย์ขึ้นว่าเมื่อพวกสนมพวกนี้ออกไปพระองค์ก็อยู่คนเดียวก็ระ ล, ลึกลมหายใจเข้าออก จิตสงบลงไปเป็นสมาธิก็อยู่ในร่มว่าร่มว่านั้นก็ไม่ไม่เคลื่อนที่ไปเกิดเป็นความอัจรรยิย์คือตะวันก็บ่ายคอยไปแล้วแต่ร่มว่านั้นก็ยังคุมกายพระองค์อยู่ตอนที่เป็นเด็กตอนเป็นประมาณก็เลยเกิด พวกสนมมาเห็นก็เลยเกิดถามกันบอกกันไปถึงรู้ไปถึงพระเจ้าสุดโททนะก็มาดูพอเห็นความอัศจรรย์ก็เลยได้ก้มได้กราบเรียกว่าได้กราบลูกครั้งแรกก็คือครั้งนั้นแหละพอเห็นความอัศจรรย์ตรงนั้นพอเห็นล่มที่คุมกายของพระองค์อยู่แม่ตะวันบ่ายค้อยไป เนี่ยตอนที่พระองค์จะได้ตัดสู้จากฉันพระกยาหารแล้วก็มาลึกระลึกถึงลมหายใจเข้าออกนี่แหละจิตก็เลยสงบลงไป<ม>เรื่องการทรมานร่างกายพระองค์ก็ทำมาก่อนแล้วทำมาทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทำมาหมดจึงเกิดเป็น ทางสองทางระองตอนหลังมาก็มาแบ่งเป็นทางสองทางคือทางสบายหนึ่งกับทางลำบากหนึ่งทางสบายก็คือจิตที่ติดอยู่ในอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ราคะหรือว่าความสบายเกินความสบาย เรียกว่าการมราคะหนึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ทางทางความสุขแล้วก็ทางที่ทำให้เกิดทุกข์ก็เรียกว่าทำร่างกายให้ลำบากเปล่าอันนั้นก็ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางที่จะให้ตัดสู้พระองค์จึงบอกว่าทางสองทางในไม่ไม่ใช่ทางที่จะให้สำเร็จ ทำอันใดไ ด, ได้เพราะช่วงนั้นก็มีพวกฤาษีพวกอาพวกลัทธิต่างๆเขาก็มีการทรมานร่างกายพระองค์ก็ทำมาทุกอย่างแล้วท่านพระองค์จึงบอกว่าทางสองทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางที่จะบรรลุธรรมได้เรียกว่าการมัสุขขันริกานุโยกเพื่อเพลินอยู่ในกามหนึ่งแล้วก็ ทำร่างกายให้ลำบากเปล่าหนึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ทางจึงมาบอกให้ทำทตามทางสายการก็คือเรียกว่ามัชชิมาเรียกว่ามัชชิมะมีแปดอย่างเรียกว่ามักแปดก็ว่าได้ ทางมรดแปดนี่แหละคือทางที่จะให้สำเร็จทำขึ้นมาได้ถ้าบุคคลใดที่มาเดินตามทางสายกลางนั่นแหละจึงจะเห็นอดเห็นทำได้พระองค์ก็ยิ่งทำตามทางสายสายกลางก็จึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ทีนี้คนเราพวกเราติดอยู่ในอันไหนติดอยู่ในความส่วนมากก็ติดอยู่ในสองอย่างก็เลยไม่เห็นความจริงความจริงอันนี้คือท่านเรียกว่าเป็นอริยสัจก็คือทุกข์สมุทยัยนิโรธมรร ทางทาง อ, าอริยสัจสี่ 4, เป็นทางของพระอริยเจ้าที่ท่านพิจารณาที่ท่านจะเห็นอาจเห็นธรรมเป็นอาจเป็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ก็เพราะมาพิจารณาในเห็นในทางสายกลางไอเห็นในอริยสัจสี่ 4. แต่พูดถึงอริยสัจสี่ 4, พอ พูดถึงความทุกข์เราก็ไม่ไม่อยากจะทํากันแล้วนั่งนานๆ น, น, นี่ก็ทุกข์เพราะคนทั่วไปก็ไม่อยากจะเห็นทุกข์ไม่อยากจะได้ทุกข์เพราะการภาวนามันก็ต้องถึงจะเห็นทําได้ก็ต้องเป็นทุกข์เห็นทุกข์ แล้วก็เห็นสมูทยัยสมูทัยนี่คือตัวให้เกิดทุกข์ก็นับจากนี่แหละตัณหาอสศวะคำว่าตัณหานี่มันก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือทางสุข ก, กับทางทุกข์ก็เรียกว่าเป็นตัณหาทั้งสองอย่าง คาว่าตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอันนี้คือคือคําว่าตันหาแต่พวกเรามักจะเข้าใจผิดคําว่าตันหาใช้ใช้คําว่าแปลคําว่าตันหานี่ออกไปจะผิดเยส่วนมากคือจะมักไปใช้กับคําว่าตันหาคือ คิดไปได้เรื่องเดียวอย่างเช่นเราจะเห็นว่าคนมีตัณหาคนอายุขั้นนี้แล้วก็มีตัณหาตัณหากลับเราจะพูดไปเยอะมากกว่าแต่คําว่าตัณหาจริงๆอมันมันไม่ใช่อย่างนี้ทั้งหมดอย่างกรมวัตตตัณหาท่านก็จะยกขึ้นมาว่า มีจี่อย่างกา ร, รมตัญหาจะก็คือเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่าตัหากา ร, รมตัญหาสิ่งที่เราเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งตัญหาเหล่านี้แหละก็เลยไม่ไม่เห็นอดเห็นทำได้ ก็เพลิดเพลินอยู่ในรูปในเสียงได้ดูรูปสวยๆได้ฟังเสียงเพราะๆได้ดมกลิ่นหอมๆได้ดื่มรสอร่อยออยแล้วก็ได้สัมผัสนิ ม, มนวลสิ่งเหล่านี้คือสิ่งผูกมัดจิตใจสัตว์โลกไว้ไม่ให้พ้นไปได้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดพูดไปก็เหมือนมันไม่มากมาย แต่สิ่งไม่มากมายนี่เราติดหรือว่าเราเป็นาธาตุของมันมาจนเป็นภพเป็นเออเป็นไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่รู้ว่าเกิดเป็นอะไรบ้างก็เพราะตัณหานี่แหละก็เพราะกรามาตัณหานี่แหละเราอย่าไปคิดแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องเดียว ไม่ใช่ถูกทั้งหมดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นคือการ ม, มะตะนหาสิ่งเหล่านี้แหละที่จะมัดใจเราไว้ไม่ให้หลุดให้พ้นไปได้ไม่เห็นอาจเห็นทำได้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดการ ม, มตันหาแล้วก็ภาวะตันหา ภาวะตัณหานี่คือเพิดเพลินหรือว่าในสิ่งที่มีที่เป็นในสิ่งที่มีที่เป็นก็คือหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่าสมบัติที่เราหานี่มันไม่มีมันไม่พอพอไม่เป็น ถ้าคนพอเป็นเขาก็เรียกว่าตัณหาน้อยเราก็เคยจะได้รู้ได้เห็นว่าคนมีสมบัติมากมายจริงๆแล้วสมบัติก็มีไว้เพื่อบริโภคเรียกว่าปัจจัยสี่พอเป็นดาที่อาศัยให้ได้อยู่ได้กินสบายให้ได้ทำประโยชน์ ไม่ได้ทำบุญกุศลไปอีกแต่ส่วนมากแล้วถ้าถ้ามีแล้วมันก็ไม่พออันนั้นแหละท่านเรียกว่าตัณหาหมาได้แล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ตามที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเราจึงเคยเราจึงเห็นคนว่าเราก็คงจะเห็นเคยเห็นว่า คนที่มีเท่าไหร่มันแล้วก็ไม่พอนั่นแหละจะเรียกว่าภาวะตัณหาคือเพิดเพินในสิ่งที่มีที่เป็นที่หาได้ที่เป็นได้แล้วก็วิภาวะตัณหาทีนี้วิภาวะตัณหาก็คือ เป็นทุกข์ในสิ่งที่มันล่วงเลยไปแล้วสิ่งที่ไม่พอใจหรือว่าอารมณ์อะไรต่างๆที่ไม่พอใจท่านก็เรียกวิภพว่ตตัญหาคือทั้งสองอย่างทั้งทั้งดีทั้งชั่วก็ยังเป็นตัญหาอยู่ทั้งได้ทั้งไม่ได้ก็ยังเป็นปัญตัญหาอยู่ นี่แหละม น, มนุษย์เรารู้ว่าคนเราก็จะติดอยู่ในนี่แหละในตัณหานี่แหละการ ม, มาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่แหละก็เลยไปเกิดเป็นความทุกข์เกิดเป็นความทุกข์ ทำยังไงเราจรึงจะปลดเรื่องเรื่องตัณหาไปได้ท่นทานจึงให้มาละลึกอยู่ในอารมณ์ของการภาวนาธรรมดาทั่วไปร่างกายไอความรู้ทั่วไปมันไม่สามารถที่จะเอาเป็น ผลเป็นประโยชน์อะไรได้เรียกว่าซ่านไปทั่วไม่มีที่จะเอาท่านถึงให้กำหนดว่าจุดใดจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งก็คือให้เอาอะไรไปกำกับให้เอาสติเขาไปตั้งให้เอาจิตเข้าไปให้เอา <c oughs> ความพยายามอันนี้ มันจึงจะเป็นผลเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ธรรมดาความรู้ทั่วไปมันก็มันรู้ไปทั่วไปหมดแต่ไม่เป็นประโยชน์ท่านจึงให้ระลึกจุดใดจุดหนึ่งเช่นคำว่าพุทธโธอย่างนี้เอาเขาไปกำกับนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็มาระลึกถึงตรงนี้แหละอานาปนสติจึง จึงลงถึงฐานถึงดูเรื่องของสัตว์โลกดูเรื่องของพระองค์ด้วยดูว่ากิเลสของพระองค์ผ่าดไปด้วยจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไดา้เรียกว่าตัสลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็จึงวางศาสนามา เหตุที่จะให้เป็นให้ไปได้คือทางสองอย่างก็ที่ที่ได้พูดไปไม่ให้ดำเนินท่านจึงวางไว้ว่าไม่ให้ทางสองอย่างไม่ใช่ทางที่จะให้สำเร็จจิตให้ไม่ให้สำเร็จทำได้ท่านจึงวางทางสายกลางให้ เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือว่ามักมีองแปดมักมีองแปกก็คือสัมมาทิฏฐิข้อแรกสัมมาทิฏฐิคือปัญญาชอบตั้งปัญญาขึ้น ให้มีปัญญาเห็นชอบทันว่าบุคคลที่จะเห็นเป็นไปได้ก็ต้องมีปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคนที่มีปัญญาจึงจะเป็นไปได้ไม่ว่าขั้นไหนก็ต้องมีปัญญาแม้แต่ขั้นรักษาศีลก็ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้ แค่ okay. ข้อแรกนี่ก็รักษาไม่ได้แล้วถ้าไม่มีปัญญาข้อแรกก็คือข้อแรกมาถึงสินห้านะ <S <S ก็คือปาณาติบาถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ไม่ได้กินถ้าเราไม่ฆ่าเราก็ไม่ได้กินอันนี้คือคำพูดของคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาเขาไม่จาเป็นต้องไปฆ่า ก็หาวิธีอื่นหาวิธีอย่างอื่นฮะทอ า, อ า, า, า, าอย่างอื่นฮะค้าหาขายอย่างอื่นแล้วก็ไปเปลี่ยนหรือว่าไปซื้อตรงนั้นมาได้ก็ไม่จําเป็นต้องค่าเนี่ยธรรมมาทิฐิก็คือคนมีปัญญาถึงจ ะ, ะปฏิบัติทำไปได้ถ้าคนไม่มีปัญญาก็ ก็เป็นไปไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปูดก็ดำลิกชอบด้วยวันที่สองนึงคือดำลิชอบมีปัญญาอย่างเดียวก็ยังไม่พอต้องมีการดำลิด้วยดำลิว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราไปอย่างไร เพราจึงว่าจิงจึงเรียกว่าดำหนิชอบสองอย่างนี้เรียกว่าเป็นจะต้องใช้ปัญญาด้วยกันทั้งสิ้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรสัมมาวาจาก็มีวาจาชอบพูดจาเป็นอัดเป็นธรรมพูดจาเป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดความรักใคร่สามัคคีนี่เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากรมันตะสัมมากรรมันโตนี่ก็คือการงานชอบสิ่งเหล่านี้แหละที่จะให้เราเป็นบุคคลเป็นคนดีขึ้นมาได้ก็เพราะการงานชอบเป็นคนที่เข้าถึงอัดถึงทำได้การงานไหนที่ ทางพระพุทธทศาสนาท่านห้ามก็ไม่ทำเรียกว่าการงานชอบสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะโคเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตยังไงเลี้ยงชีวิตชอบคือไม่รักไม่พ้นไม่จี้เข้ามาเลี้ยงชีวิตไม่ชอบไม่โกงเข้ามาเลี้ยงชีวิตถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าท่านก็ จะมีคำไปอย่างหนึ่งคืออารมณ์อันไหนที่เป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตต่อใจอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่เอาเข้ามาไม่คิดไม่อ่านอันไหนที่จะทำให้เศร้าให้หมองก็ไม่คิดนักภาวนาหรือว่านักปฏิบัติก็จะต้องมาปฏิบัติในตรงนี้รู้ในตรงนี้เรียว่าเลี้ยงชีวิตชอบอารมณ์มันอันไม่ชอบ ก็จัดอยู่ในเลี้ยงเลี้ยงไม่ชอบมาเลี้ยงตัวเองไม่ชอบเพราะฉะนั้นสมาชีวะก็จึงก็สำคัญอีกข้อหนึ่งธรมมาวายามะอีกข้อนี้ก็คือทุกอย่างชอบมาหมดแล้วการกระทำไม่มีมันก็มันก็ไม่เกิด เพียรระวังไม่ให้บาปที่เกิดขึ้นเพียรระวังที่ละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้มันน้อยลงไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วก็เพียรบำเพ็ญอันไหนที่ยังไม่ได้ทำบุญกุศลที่ยังไม่ได้ทำก็พยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นนี่เรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรความพยายามต่างๆ เรียกว่าสัมมาสัมมาวยามะสัมมาสติก็คือตั้งใจตั้งจิตชอบสัมมาสติตั้งสติชอบให้สติอยู่ในร่างกายของเราอยู่ในตรงใดตรงหนึ่งที่ว่าเพราะปกติแล้วความรู้ทั่วไปมันไม่สามารถที่จะเอาเป็นผลเป็นประโยชน์ได้ คือมันรู้อย่างนี้มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันก็ไม่เป็นประโยชน์ให้หรือเรียกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าความรู้อันนี้เป็นความรู้เหมือนไส้เดือนยิ่งคือรู้สั้นทั่วไปแต่ว่าไม่เกิดเป็นผลเป็นประโยชน์รู้ก็เหมือนไม่รู้คือมันรู้แล้วก็มืดไปด้วยเพราะสติไม่ได้อยู่กับตัวเอง ก็เลยไม่เกิดเป็นผลเป็นประโยชน์ถ้าสติอยู่กับตัวเองนั่นแหละจึงเป็นจึงเป็นผลเป็นประโยชน์จึงเป็นความภาคความเพียรจึงจะเป็นอาจเป็นธรรมขึ้นมาได้จิตนี้ถ้ามันไม่อยู่เป็นรันเดียวเมื่อใดมันก็ไม่สงบพอนาไปถึงจนเกิดจนตายแล้วตายมันไม่อยู่เป็นดันเดียวเนี่ยมันก็ไม่สงบถ้ามัน เป็นอันเดียวเมื่อใด น, นั่นแหละมันจึงจะสงบท่านถึงให้ตั้งสติอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งอยู่ในร่างกายนี่แหละกำหนดให้มันอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งกำหนดอยู่ในลมหายใจนี่ก็ก็คือจุดใดจุดหนึ่งนั่นละลมหายใจเข้าออกสั้นยาว อยู่ในนี่พอมันอยู่แล้วมันก็จะสงบแต่มันก็อยู่ได้พอสมควรแต่ส่วนมากแล้วมันจะไม่อยู่ทีนีมันยากเพราะตรงนี้นักภาวนาหรือว่านักปฏิบัติก็จะมาบ่นกันในจุดนี้แหละ จุดที่จิตไม่สงบนี่แหละเพราะฉันว่าถ้ามันไม่เป็นนันเดียวมันก็ไม่สงบถ้ามันไม่อยู่นิ่งเป็นอารมณ์มันเดียวมันก็ไม่สงบทํายังไงก็ไม่สงบแต่ถ้าให้มันอยู่เมื่อได้ไดเมื่อใดนั่นแหละมันอยู่ได้เวลาพอสมควรมันก็จะสงบลงไป เห็นความอัศจรรย์ของจิตของใจของจิตของเราก็เรียกว่าได้ดื่มดําหรือว่าได้อาหารของจิตได้อัดได้ทำก็คือได้ตรงนี้แหละเห็นอาจเห็นทำเพราเห็นตรงนี้เนาะก็เริ่มจากสมาธิธรรมนี่แหละสมาธิธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีสติ สติธรรมก็ว่าถ้ามันอยู่ได้เมื่อใด น, นั่นแหะธรรมก็จะเกิดเพราะสมาธิตรงนี้เป็นเบื้องต้นเป็นเริ่มแรกของการภาวนาพระพุทธเจ้าจะตัดสู้ก็เพราะสมาธิธรรมนี่แหละเมื่อจิตของพระองค์สงบลงไปแล้วก็ เกิดความอัจฉรย์ขึ้นอเกิดความอิ่มเอิบขึ้นในจิตในใจจิตใจก็ไม่ร้อนรนจิตใจก็นิ่งเมื่อมาพิจารณาทางปัญญาก็มันก็สามารถที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงของมันได้ของของร่างกายอันนี้ได้จึงเกิดเป็นอศาสนาของเราขึ้นมาจนทึงวันนี้ ให้เราเข้าใจว่าศาสนาเกิดขึ้นเพราะอะความเกิลเ่เก็บตายแล้วก็ต่อทุกวันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของคนตายก็เรื่องเป็นเป็นเรื่องของพระไปพระก็สวดให้คนตายไปจริงๆแล้วเกิดขึ้นเพราะเห็นภัยเพราะเห็น ไม่อยากจะเกิดอีกอที่พระพุทธองค์ตั้งาศาสนามานี่ก็เพราเห็นภัยตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธเราก็ต้องเห็นภัยนี้แหละเราถึงจะเราถึงจะเป็นถึงจะไปได้ถ้ายังไม่เห็นภยัยยังเพิดเพลินอยู่ในโลกอันนี้ในอ่า กรรมมัตต์หาราคะพวกนี้มันก็ไม่สามารถจะไปได้ภาวนากขเป็นไปไม่ได้อริยะสัจสี่เขาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่อยากจะทุกข์ทุกนิดนิดนีด่หน่อยเราก็กลัวแล้วไม่อยากจะแล้วแต่ละวันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เห็นทุกข์ไม่ได้เห็นความจริง ความจริงของร่างกายของสังขารของเรานี่ถ้าไม่เห็นตรงนี้มันก็ยังเพื่อเพลินอยู่ยังเพื่อเพลินอยู่เพราะไม่ไม่เห็นภัยไม่เห็นภัยในการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารก็จึงเพื่อเพลินสุดท้ายก็คือวันเวลาผ่านไปแล้ว ก็ทำอะไรไม่ได้เป็้เมื่อร่างกายสังขารร่วงโรยไปความเจ็บความแจ่ความชลาข้ามข้าวเขาเข้ามาแทนที่จะภาวนาก็ไม่ได้ในที่สุดเราก็ต้องยอมรับในสภาพในสภาพความตายที่จะมาถึง ว่าเลยทำอะไรไม่ได้การภาวนาจึงยังเป็นเรื่องของคนเห็นภยัยเป็นเรื่องของคนที่จะออกจากโลกอันนี้เพราะว่าถ้าไม่เห็นภยัยเขาไม่เบื่อหน่ายไม่เบื่อหน่ายก็ไม่มีความพยายามไม่มีการกระทำ ทำก็ไม่เกิดเมื่อไม่ไม่เกิดก็ไปกันอย่างนี้แหละเกิดไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวแล้วแต่บุญกุศลแล้วแต่บุญกรรมที่จะพาเราไปถึงถ้ามันเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวมันก็เพราะว่ามันจะเป็นอะไรบ้างกันเข้าท้องอันนั้นบ้างเข้าท้องอันนี้บ้าง หมูหม้าเป็ดไก่เข้าได้ทั้งนั้นนหะไม่ได้แปลกเลยเพราะฉะนั้นให้เราเห็นภัยในวัฏฏะสงสารแล้วก็มารีบเร่งทําความภาคความเพียรทำภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นเป็นญาติของพระพุทธเจ้าให้ได้เป็นญาติของพระธรรมให้ได้เป็นญาติของพระสงฆ์ให้ได้เป็นญาติยังไง เป็นญาติกันได้สัมผัสกันได้รู้ได้เห็นกันถ้าไม่เป็นญาติกันเลยถึงเวลานั้นนะ่ะเราจะเรียกให้ญาติมาดูหรือว่าเรียกหายาตมันก็ไม่เจอกันแล้วถึงเวลาเวลานั้นก็ถึงเวลาเจ็บเวลาตายนั่นเนะ่เพราะฉะนั้นจึง เป็นพระญาต์เป็นนี่กับพระพุทธเจ้าให้ได้เป็นพระญาติกับพระธรรมให้ได้เป็นพระญาติกับพระสงฆ์ให้ได้เรานั่นแหละทุกคนนั่นแหละเราต้องตั้งใจตั้งแต่วันนี้แล้วเพราะว่าร่างกายเรามันร่วงโรยไปแต่ละวันละวันถึงเวลานั้นเราจะ อ, าอะไร เราจะเอาอะไรจากมันได้ร่างกาย น, นี้มันก็มีแต่จะร่วงโรยลงไปสติปัญญามันก็เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่ของเราเรามายึดของเราไม่ยึดมันมันก็ไม่สนใจกับเราด้วยซ้ํา ถามดูที่ร่างกายส่วนไหนที่มันเป็นมันสนใจกับเราไหมไม่มีมันไม่ได้สนใจกับเราเลยมีแต่มันจะเจ็บจะแกรจะล่วงโรยไปตามเรื่องของมัน mm. เพราะฉะนั้นช่วงที่เรามีสติปัญญาอยู่ที่เรามีความคิดความอ่านพอตั้งสติได้อยู่ก็เรียกว่า ถ้าเป็นเครื่องใช้ไม้สอยอย่างมีดอย่างนี้เราก็ใช้ตอนมันคมๆนี่แหละเมื่อมันทื่อแล้วเราไปฟันอะไรก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นอย่าให้มันทื่อไปเปล่าๆเราต้องใช้มันเราต้องเอามาพิจารณาเอาหยิบเอาส่วนนี่แหละมามีสติปัญญานี่แหละเรียกว่ามีดกําลังคมนี่แหละ เมื่อมันเทื่แล้วจะเอาอะไรได้เมื่อมันเจ็บมันปวตายแล้วเราจะไปคว้าเอาอะไรได้พ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยกันก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้มันเป็นเรื่องของเราคนเดียวเราจะเราเกิด พ่อกับแม่เราก็อาศัยเกิดเฉยแต่เรื่องทุกอย่างคือเรื่องของเราการภาวนาเนี่ยคือเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นภรูบาอาจารย์ก็ช่วยเราอะไรเราไม่ได้หรอกท่านก็บอกทางให้เฉยว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นส่วนคนที่จะทำจริงๆก็คือตัวเรานี่เองถ้าเราไม่ทำไม่มีใครทาอะไรทาทำให้เราหรอก ให้เราพิจารณาดูให้ดีว่าที่พึ่งของเราที่พอจะพึ่งเป็นพึ่งตายได้เนยมีหรือยังเรื่องทานศีลเราก็พอจะรู้มันสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องขัดเก่าที่เพื่อจะให้มาภาวนานี่เอง การให้ทานการรักษาศีลก็คือบคุคคลที่จะท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารก็อาศัยเหล่านี้แหละอาศัยการให้ทานการรักษาศีลนี่แหละเป็นสเสบียงก็ว่าได้แต่จริงๆแล้วก็คือให้เข้ามาภาวนานี่แหล ะ, ะบคุคคลผู้มีศีลจิตใจก็ไม่มีกังวลไม่มีห่วงไม่มี สิ่งที่จะาำนิตัวเองเมื่อพาวนาจิตใจก็ไม่มีกังวลมันก็สงบลงได้มันก็สบงสบง่ายถ้านั้นก็ผิดนันนี้นก็คล่องจิตใจพลุงพลังเหมือนบุคคลไม่ได้อาบน้ำเสื้อผ้าก็เหม็นไปด้วยละ เพราะว่าไม่ได้ชำระร่างกายเพราะสิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกว่ามันบ่งบอกมันบ่งขัดเกา่าที่จะให้เรามาภาวนาที่จะให้เราเข้าถึงอัดถึงธรรมได้ง่ายสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องขัดเกา่าเมื่อมีทานศิล แล้วก็ภาวนาก็ง่ายขึ้นถึงเราไปไม่ได้ในอัตภาพพบนิชาตินี้ก็ยังเป็นสเบียงนั่นแหะนั่นคือการให้ทานแต่จริงๆแล้วท่านเน้นมาที่ภาวนาพุทธเจ้าวางศาสนาไว้ก็เพื่อให้เรามาเห็นอาจเห็นธรรมนี่แหละธรรมทั้งหลายที่ท่าน ประกาศสอนไว้ก็มุ่งตรงนี้แหละจุดนี้แหละเพราะพระ อ, องค์ก็ทำมาอย่างนี้ที่จะตัดสั้ได้ก็คือมาภาวนานี่แหละครูบาอาจารย์ก็ที่ท่านเข้าป่าเข้าเขาเข้าไปาในที่ลำบากลำบนก็เพื่อจะภาวนานี่แหละ มันจึงเกิดจึงมีขึ้นอยู่ในที่กันดารอยู่ในที่สงบจงัด้อเพื่อจะให้จิตใจได้เห็นได้เป็นได้ไปนี่แหละในอดในทำในภาวนานี่แหละเพราะฉะนั้นให้เรามาพิจารณาตรงนี้แหละฟังเทศฟังธรรมที่ไหนมาขอดมุ่งมาที่นี่แหละ คือตัวของเรานั่นเองจะไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ตามก็คือมาหาที่ตัวเรานั่นแหละอันนั้นก็เป็นของท่านส่วนของเราก็เป็นของเราถ้าเราไม่เห็นไม่เป็นไม่ได้ทำก็ก็ยังเป็นค้างคาอยู่นั่นแหละธรรมะของพระพุทธเจ้า ประกาศไว้เป็นความจริงความจริงสาหรับบุคคลที่ทำจริงแล้วเห็นจริงเป็นของจริงไม่ใช่ว่าเป็นของปลอมของหลอกลวงโลกท่านสมัยอยู่เสมอเป็นอากาลิโกท่านว่าไม่ไม่มีการไม่มีเวลา บุคคลใดมาประพฤติปฏิบัติบุคคลนั้นก็จะมาเห็นไม่รประกอบด้วยการเวลาเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดเวลาแต่มันมีอย่างหนึ่งคือว่าเป็นปัจจัดตังนี่แหละคำว่าปัจจัดตังก็จะเห็นเฉพาะตัวเห็นจะเห็นเฉพาะตัวไม่สามารถจะ ให้คนอื่นมาเห็นด้วยไม่สามารถจะ อ, ออกมาให้คนอื่นเห็นด้วยเพราะอาจจะมีบ้างเป็นกิริยาภายนอกแต่กิริยาภายนอกมันก็แต่งเราได้คำว่ า, าการิโกนเป็นคำว่าปัจจตังเคยจะเห็นก็เห็นเฉพาะตัวพันวินโยชนที่จะเห็นได้วินญยชนก็คือคนมีปัญญานี่เนะี่ย ถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ไม่เรียกว่าวินโยชนเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นให้จำไว้ให้ดีถ้าเราอยากเห็นอาจเห็นทมเราก็ต้องมาทำในจุดนี้ไม่มาภาวนานี่แหละส่วนอบุบายต่างๆ ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้อุบายไว้ต่างๆนานาหลายอย่างเบื้องต้นท่านก็ให้พิจารณาร่างกายนี่แหล ะ, ะเมื่อจิตสงบลงไปก็มาพิจารณาร่างกายเมื่อเห็นกายก็จะได้เบื่อหน่ายในกายเห็นความไม่แน่นอนเห็นความ เห็นความตายความบุบสลายความเน่ากายเปื si si ่อยลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นกายจนมีบางสำนักเขาไปตั้งขึ้นว่าเป็นกายเป็นธรรมกายนั่นนหะสำนักไหนก็ต้องเห็นกายซะก่อนครูบาอาจารย์สายไหนก็ต้องเห็นกายก่อนพิจารณากายอนี้ก่อนเห็นทุกอย่างเห็นแต่ความ แตกสลายเห็นความจริงของในข้อนี้ก่อนแต่ท่านไม่พูดเจะเฉยว่าท่านเป็นเห็นกายถึงจะตั้งมาแค่ไหนถ้าไม่เห็นจริงมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแหละแต่มันต้องเห็นมากกว่านั้นเพนไม่ใช่ว่าเห็นกายแล้วก็จะได้สำเร็จ เนี่ยเราฟังดูแล้วก็เกิดความสลดสังเวศอยากเชิดชูครูบาอาจารย์ตัวเองจนงไปบังคับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตัดสรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยธรรมกาย มันไม่ใช่เรื่องของกายเวลาตัดสู้นะมันเป็นเรื่องของจิตเบื่อหน่ายในกายแล้วต้องยังเบื่อหน่ายในจิตทำไมไม่ตั้งขึ้นว่าเป็นธรรมจิตอันนั้นมากอันนั้นละ่ะสำคัญมากกว่าเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในสิ่งที่ปรุงจิตเรียกว่ากิเลสปรุงจิต ตรงนั้นจึงได้สาเร็จจึงเป็นสาเร็จได้เป็นพระอรหันได้ไม่ใช่ว่าเห็นกายแล้วก็จบมันต้องเบื่อหน่ายในจิตด้วยเบื่อหน่ายในสิ่งที่ปรุงจิตนั่นแหละเรียกว่าอาวิชชานั่นแหละเมื่อเห็นตรงนั้นแล้วจึงจะสาเร็จได้ แต่เบื้องต้นก็คือเห็นกายนี่แหละพิจารณาร่างกายนี่แหละถ้าไม่เห็นกายก็ยังไม่เบื่อหน่ายแล้วยังเพิดเพลินอยู่มันต้องเห็นกายก่อนเห็นกายแล้วก็เห็นจิตนี่ยเรื่องการภาวนาก็คืออย่างนี้แหละ ก็คือตัวเองนี่แหละเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นี่มันก็มากมายมากมายแต่ว่าก็มุ่งมาตรงนี้แหละมามุ่งมาที่กายนี่แหละที่กายที่จิตนี่แหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเอาอะไรมากมายเอากายเอาจิตนี่แหละทำให้มันเกิดให้มีให้มีขึ้น เมื่อเห็นตรงนี้แล้วก็จะเกิดความเบื่อนายขึ้นเรียกว่าเห็นธรรมก็คืเห็นตรงนี้แหละสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่แหละเมื่อเห็นตรงนี้แล้วก็หมดห่วงที น, นี่อยู่ไหนก็อยู่ได้อยู่ไหนก็สบายไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวาย ดูเรื่องของมันแล้วก็ปล่อยไปดูเรื่องของกายนี้ก็ปล่อยไปสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเครื่องอาศัยเฉยๆข้าน้ำโภชนาหารก็เป็นเครื่องอาศัยไม่ใช่เป็นเครื่องกีรังย่า ง, งยืนถาวรไม่ไม่ใช่สิ่งที่จะมายึดมาถือจน เกิดเป็นกิเลสตัณหาละไม่ได้มีมากมีไม่เท่าไหร่ก็ไม่พอนี่แหละพราะเราไม่เห็นความจริงตรงนี้แหละแล้วยังจะต่อเป็นภพเป็นชาติต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดภพชาติแล้วยังไม่พอยังเป็นกลับเป็นกันนู่นอีกจิตเมื่อมันไม่เป็นไม่ไปมันก็ ไม่ไม่ว่านานเท่าไหร่นะมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมมันท่านถึงว่าบุคคลที่เห็นอัดเห็น ร, รมเป็นอัดเป็นทรรมอยู่วันหนึ่งก็ดีกว่าคนอยู่ร้อยปีแล้วไม่มีอะไรเลยไม่รู้เรื่องไม่เห็นอดเห็นทรรมอยู่มีอายุยืนยืนยาวเฉ ย, เฉยท่านถึงเปรียบพระหันที่ ที่ว่าเป็นคารวาาเป็นคารวะแล้วได้สำเร็จเป็นพาารนะหัหน์มีชีวิตอยู่เสี้ยวนาทีหนึ่งก็ยังดีกว่าคนอยู่มีอายุยืนเป็นร้อยปอีเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เป็นคุณต่อเราเพราะฉะนั้นก็ขอให้ฝากไว้ให้ทุกคนว่า ให้มาพิจารณาตัวเองให้มาเข้มงวดกับตัวเองว่าอันไหนยังไม่เกิดไม่มีทำยังไม่เกิดไม่มีก็พยายามทำให้มันเกิดมันมีขึ้นแล้วเราก็จะไม่เสียท่าเสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้อะไรไปเลยนี้มันก็อันนี้เกินไปมันก็ โม่เกินไปคนเรามาเห็นแล้วยังไม่ได้มาเห็นแล้วยังไม่หยิบฉ่วยเอาสิ่งประเสริฐที่สุดก็คื อ, อ น, นี่แหละก็คือธรรมนี่แหละก็คือธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละที่ท่านตัศลุมาจากนู่นถึงนี่ท่านก็วางศาสนาไว้ห้าพันปีแล้วอันนี้ก็เรียกว่ามาในครึ่งหนึ่ง ถ้าคิดดูที่ว่า 5,000 ปีมันจะยาวมันจะนานขนาดไหน 2,500-600 ปีมานี่ก็ถ้าคิดว่าอายุคน100ปีเราจะเกิดกี่ครั้งถ้าสมมุติเราคนเดียวนี่แหละมาเกิดแล้วเกิดในจากนั่นแหละ 5,000 ปีนี่แหละซากศพที่เรา นี่เป็นของเราเนี่ยถ้าไม่เปลือยไม่เน่าไม่เผาไม่ทำลายนี่ไม่ใช่มันจะเต็มห้องนี่นะถ้าไม่เห็นอัดเห็นธรรมก็คือยาวนานไปอย่างนี้แหละจิตไม่เป็นไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็จะยาวนานไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเสมอเหมือนมดแดงไต่ขอบดง ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหนหมดแดงแต่ขอบด้งเวียนไปเวียนมาอย่างนั้นแหละก็ไม่รู้ว่าตัวเองที่เก่าของตัวเองก็ เ, เวียนอยู่งั้นแหละให้เรามาเกิดก็เหมือนกันเราเคยเห็นสิ่งที่เขาปลูกสร้างตั้งแต่โบราณมาไม้ย เป็นก้อนอิด ก, ก้อนหินเขาทำอย่างทำเจดีทํทำโบสถ์ ท, ทำอะไรไว้สมัยไหนนั่นแหละก็คือมันเกิดมันก็มีมาจากคนเกิดนั่นแหละเขาเกิดมาก่อนแล้วบางทีอาจจะเป็นเราก็ได้เนี่ยเพราะการไม่เห็นธรรมนี่แหละมันจึงมันจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้ ถ้าเห็นทมแล้วก็สมาธอยู่ไหนก็อยู่เต็มแค่นีละสมาธิทำนี่แหละก่อนขอให้มันสงบลงไปเทต็มนะถ้าไม่เป็นไม่ไปกไ็แต่คิดเอาศาสนาของพออระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ใช่ศาสนาคิดเอาคิดว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิก็เหมือนกัน มันไม่จิตไม่ใช่จิตธรรมดานี่ก็แล้วกันจิตธรรมดานี่มันที่มันยังไม่ไม่เป็นไม่ไปนี่ก็เราก็พอจะรู้กันก็คิดเอาเดาไปจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนกว่ามันจะเห็นมันจะเป็นเมื่อไหร่นั่นแหละเราก็จะได้ร้องอ๋อมันเป็นอย่างนี้ท่านว่าสมาธิสุกอะไรเกิน สุขในสมาธิไม่มีเราก็คิดเอาว่าสมาเราก็เปรียบเทียบจากโลกทางโล ก, กน่ะสุขในทางโลกมามาเปรียบเทียบว่าสุขเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ <c oughs> จริงว่าวันนี้ไปนู่นก็ได้นิทานมาหนึ่งนิทานพอดีมาตกตรงนี้พอดีมาตกตรงว่าคิดเอานี่แหละ พอดีหลวงอาจา ร, รย์วิโรธเรานิทานนิทานเรื่องหลวงพ่อตาบอดตาบอดสีตาบอดแต่มองเห็นนิดๆอยู่ตาบอดตั้งแต่เล็กๆก็สุดท้ายก็เลยมาบวชเป็นหลวงพ่อบวชเป็นหลวงพ่อก็เลยมีเนนมาอยู่ด้วย พอมีเนนแล้วก็เนนก็เลยวันนั้นเขาถวายอ่าโอวันตินใส่นมอามาให้เนนก็ให้หลวงพ่อฉันพอหลวงพ่อฉันก็เลยติดใจว่าทําไมมันหวานอย่างนี้มันอร่อยอย่างนี้มันคืออะไรล่ะเนนเนนก็เลยเลยบอกว่านมหลวงพ่อมัน เนี่ยนมมันเป็นยังไนงนมมันสีขาวๆเ น, น้นว่านมนะสีขาวๆสขวีขาวเป็นยังไงลุงพ่อก็ไม่เคยเห็นสีนลุงพ่อก็ไม่เคยเห็นสีก็เลยสีอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าตาตาไม่เห็นไงพอดีมีนกเจา้านกอะไร เจาบินมาเนนก็ว่านนั่นแหะเขามันสีข า, ขาวๆเหมือนนกเจานั่นแหละว่าหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นนกเจาอีกก็เลยว่านกเจาเป็นยังไงเนนก็เลยนกเจามันเป็นอย่างนี้ก็เลยยกมือขึ้นมันมีหัวย่งนี้หลวงพ่อก็มาจับจับมือเนนว่าจับแขนเนนว่าโอ้นกเจาไอ เป็นอย่างงี้นมเนียนเป็นอย่างงี้เนะาะทั้งทั้งที่มันขนละเลื่องเงนี่ถ้าไม่เห็นมันก็เป็นอย่างงี้แหละมันมาตรงกันพอดีก็เลยนึกถึงนิทานตรงนี้ได้นิทานเรื่องนมโอวันตินจนไปถึงนกเจา้าเนรก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนกเจา้ามันก็มีหัวอย่างงี้วะ น้องพ่อเขามาจับดูแขนเนนไว้โอ้นกเจ้านี่มั น, นมันมีหัวเป็นอย่างนี้เนาะอนี่แหละ ถ, ถ้ามันไม่ถ้าเรามีรู้เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นที่จะเป็นอาจเป็นธรรมเราก็ต้องทำให้มันเกิดมันมีขึ้น ว่าขอฝากไว้ทุกๆคนว่าให้เราตั้งสติว่าเราเรามีเราพร้อมที่จะเป็นหรือยังถ้ายังไม่มีไม่เป็นก็พยายามทำให้มันเกิดมันมีเมื่อเห็นตรงนั้นแล้วเราก็จะได้สบายที่นีอยู่ไหนก็สบายอย่างน้อยก็ไม่จิตใจก็ไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้ วันไม่ได้เก่งจะไปไหนก็ไปเหมือนคนมีเงินมีทองนี่แหละจะไปประเทศไหนก็ไปได้คนมีบุญมีกุศลมีปัญญาเข้าไปไหนก็ได้จจนเพราะว่าเราได้ทําไปแล้วสิ่งเหล่านี้เราเป็นเครื่องอาศัยของของเราเป็นความประสงค์ของพระพุทธเจ้าก็คือตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นอันไหนที่พอจะเป็นอพอจะตกเป็นของเราได้ก็ให้เอาไป พิจารณาไปฝึกไปฝนฝึกฝนลองดูว่าเราพอที่จะเอาเป็นนี่ได้ไหมที่อาจะมาได้อธิบายมานี่แหล ะ, ะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าสมควรเกวเวลาอืมอ่านะแค่นี้แหละหลวงพ่อพูดได้แค่นี้แหละพอดีมันปวดหัวด้วยอาการไม่ค่อยดีก็เลนด์นึกอะไรไม่ออก มันเป็นได้สองสามวันนะไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรมึนหัวพอไปถึงนู่นก็บินท่าบ่ไม่ได้เลยพอมึอนแล้วมันไม่เอาไหนเลยทนานมันไม่เอาไหนเลยจะลม้มแต่ความดันความไหนก็ตรวจอยู่นะปีที่แล้วไปเช็คไปตรวจความดันเขาก็ว่าไม่มีอะไรก็ตรวจไ้มันเหมือนกันนะ เขาว่าอะไรเนาะเขาบอกว่าเม็ดเลือดอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ไปติดตามอีกก็เลยปล่อยมายัางนนในปีหนึ่งถ้าเจออากาศร้อนๆคนเยอะๆหายใจแบบลักษณะออกซิเจนไม่พออย่างเงี้ยนะมันก็จะมันก็จมึนหัวขึ้นมามึนแล้วไม่เอาอะไรเลยเต็ในโอกาสนี้นะครับ ใครขอากาบเรียนเชิญท่านดรหมูนะครับได้น้อมถวายกันเทศใด่องค์หลวงปู่นะครับพวกเราอนุโมทนานะครับวันนี้นะวันนี้วันเกิอดดอรหมู ด, ด้วยนะครับ <c oughs> แต่พวกเราอนุมโมทานาสาธุโดยพร้อมเพียงกันนะครับสาธุอ้าวพรวันเกิดฉันตังคิดตั้งใจนะครับแล้วพอจะอุค์ลงปู่ครับ ยะถาวาริวาพุราปริปุเรนติสาคหลังเอวะเมวิโตทินนางเปตานังอุปกะปเตอิชิตังปะทีตังตุมหังชิปเมวัสัมมิจาตุสเพปุเรนตุสังกปานจานโธปนราโสยทามณีโชติราโสยทา สพิติโยวิวจชานตุสพโรโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโภพวะอภิวาธนาศีริสานิจังอุทธาปจายิโนจตรมมารโธรรมวัฏฐนติอายุวันโนสุขังพลังรัตนตยานุภาเวนรัตนตยเตยเชัสา ทุครโหขพยาเวลาโสกาสันตุจุปัฏฐานกาอันตรายาปีวินาสันตุอเศะสโตชยสิทธิ์ธนังลาพังโสธิภาขย่างสุขังปลังสิริอายุจวันโนจพโอขังอุธีชยศวะสตวสาเจอายุใจชีวาสิทธิ์ภวันตุเตปวะตุสัพพังกลังรักันตุสัพพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสธาสูติภาวนตุเตภวะตุสัพมังกลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสธาโสตีภาวันตุเตภวะตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังขานุภาเวนะ สัทาโสติพวันตุเตสัตว